จิตว่างเป็นเรื่องวิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่าเข้าใจคำว่าจิตว่างเป็นเรื่องบ้าๆบอาบาๆหรือเป็นเรื่องที่เอามาใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันเป็นเรื่องที่วิเศษที่สุดที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้ท่านแนะให้ท่านสอนให้เพราะฉะนั้นขอให้พยายามมีชีวิตอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกด้วยจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวกูของกู คำนี้มันหยาบหน่อยแต่มันจำเป็นที่จะต้องพูดเพราะมันเป็นความรู้สึกจริงๆอย่างนั้นนี้เรียกว่าเราจะต้องรู้จักสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิเศษในธานะเหมือนกับเป็นแก้ววิเศษเป็นแก้วสรารพัดนึกอย่างนี้ไว้สักอย่างหนึ่งคือความมีจิตว่างนี้คือความขึ้นบกการที่จะขึ้นบกมาได้ก็ต้องอาศัยจิตที่ว่างแล้วเราก็จะได้ขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด หรือยอดปรารถนาของมนุษย์ในทางฝ่ายจิตหรือฝ่ายวิญญาณทางฝ่ายร่างกายหรือทางวัตถุนี้ก็มีพร้อมคือมีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศมีไมตรีมีสังคมดีแวดล้อมดีส่วนร่างกายเสร็จไปส่วนจิตส่วนวิญญาณนี้ก็มีแต่ความรู้ความตื่นความเบิกบานประกอบอยู่ด้วยสติปัญญา ฉเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งในทางธรรมมีความสะอาดสว่างสงบด้วยแล้วมันจะทุกข์ที่ไหนได้มันจะไม่มีทุกข์เลยไม่มีการร้องไห้ไม่มีการหัวเราะแต่ว่าเป็นสุขยิ่งไปกว่าการหัวเราะจะไม่มีทุกข์เลยชีวิตแบบนี้คือสัมมบูณัมหรือว่าสิ่งดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ควรจะเข้าถึงให้ได้ในชาตินี้ก่อนแต่ที่จะตาย โดยวิธีอย่างที่ว่าให้เป็นอยู่ด้วยจิตว่างตั้งต้นไว้การเป็นอยู่ด้วยจิตว่างนั้นเราจะต้องเชื่อเสียก่อนว่าเราสามารถทำจิตให้หยุดวุ่นและจะกลายเป็นจิตว่างขึ้นจักน้ำมาสู่บกแล้วเราจะปฏิบัติหน้าที่บนบกนี้ให้ถึงที่สุดจนกระทั่งเป็นจิตที่ทุกขกับเขาไม่เป็นต่อไปนี้มันจะทุกขกับเขาไม่เป็น จะทำงานอะไรก็จะสนุกไปหมดการเรียนก็สนุกแล้วก็เรียนได้ดีด้วยเป็นไปถึงที่สุดในทางดีด้วยนี่เราจะต้องมีชีวิตเป็นอยู่ในลักษณะเช่นนี้จึงจะรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ทำโลกนี้ให้งดงามน่าอยู่รวมทั้งตัวเราเองด้วย